อ่าพ่อสี่ปตามมาแล้วก็มองหาทางออกเพื่อจะให้เราได้ความสงบสบายก็เข้าไปอัดื่มอีกดืิมเพิ่มเติมเข้าไปอีกอย่างนี้เนะีะเนี่ยสายของอกุศลกิตจกิจที่ไม่ฉลาดผลมันก็ได้รับความไม่สงบในชีวิตตัวเองแล้วครอบครัวเข้าไปในวงการรงงานแทนที่ใดเขาทำให้ที่นั่นไม่เจริญไม่จะเสื่อม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 มันไม่ใช่จแต่คนธรรมดาคนที่เรียนทุงสูงก็มีเยอะอยู่ในคุกอยู่ในตารางเต็มไปหมดนะแต่เข้าใจว่าตัวเองฉลาดแต่ความจริงมันไม่ฉลาดจากนี่แหละออกุศลก็อกุศลทำมันเป็นธรรมชาติที่จะให้ผลตามาการทําและพูดและคิดมันให้ผลในลักษณะลบลบความดีออกแล้วก็บวกความชั่วขึ้นไปเรื่อยๆ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 เราฟังให้ น, นี่เราก็เข้าใจแล้วเราไปเห็นคนที่เดื อ, รอดร้อนวุ่นวายก็ตรวจ ด, ดูเขาปิดสิข น, นข้อนั้นข้อนี้เราก็เชื่อมั่นเลยคนที่เดื อ, รอดร้อนวุ่นวายเพื่อนของเราเป็นทุกมีเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนี้เอเราก็เห็นแล้วเขาไม่มีสินอาจจะพูดหลอกลวงกันโกหกกันไม่มีสินทางวาจาอาอย่างนี้นะตรวจ ด, ดูห้าข้อไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งแนละคนที่เดื อ, รอดร้อนวุ่นวายนะ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 กลอกลวงให้หลงในธาตุในขันเนี่ยหลงว่าเราเป็นของเราของของเราอย่างเนี้ยมันก็ห่อหุ้มเรา เ, าเราทรําแค่เดียวเพราเดียวสว่างสวายขึ้นมาแล้วก็หยุดแล้วก็หุ้มเข้ามาอีก เ, าเราก็ทําแล้วทำํำอีกทำแล้วทำอีกไม่ใช่เราจะอ้างว่าเรามีงานทำํนท ำ, เ ร, ทำรเราทำงานทําแล้วก็เราทําตรงไหนเวลาเราทํางานเราก็ไม่สติของเราอยู่นั่นเนี่ยเวลาเราจะพูดเราก็ไม่สติพูดเรื่องอะไร เวลาเราจคิดก็คิดเรื่องอะไรเวลาจะจะทําทําเรื่องอะไรเป็นบุญหรือเป็นแบบเป็นธรรมะหรือเป็นกระแสของธรรมกระแสของโลกเขาต้องให้รู้เท่ารู้ทันตลอดเวลาอาตอนนี้มีมีกิเลสตัวไหนจะเข้ามาครอบงำจิตเราก็ให้รู้ครอบมามจิตแล้วก็ต้องสกัดขั้นหรือกําจัดปัดเป่เอาออกไปอความโลภเข้ามาก็รู้ความโกรธเข้ามาก็รู้ความไม่โลภนั่งอยู่ตรงไหนเกิดขึ้น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 จิตนี่ฝึกจนบรรลุธรรมแล้วก็คือแบบไม่ตายอมอตะังเป็นอมตะตังอมตะจิตไม่ตายพระนพุทธลูกลูกอยู่ตลอดวันเวลานาทีพุ้โทนี่ถ้าเข้าถึงแล้วก็เป็นพุโทโธอยู่ตลอดเวลาเป็นอ ม, อมตะไม่ตายไม่เหมือนอ่าไรร่างกายเกิดมากิจกรรมกิจ ก, การเก็บพวกกิจชาก็เกิดมาตายทั้งนั้นเกิดมาตายเกิดมาทิ้งอะไรมากะ ทอต um, right. ้งทอดทิ้งทั้งหมดเนร่างกายอสัมภารร่างกายเป็นธาตุแล้วก็ฮะทรัพย์สมบัติก็เป็นธาตุนำมาเยียวยาธาตุทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเป็นธาตุดินเรามาเยียวยาร่างกายแต่ธาตุดินธาตุน้าเป็นหอ่าเยียวยากึ้นไปเยียวยากึ้นมาก็แต่ดับหาใหม่เยียวยากันใหม่ก็แต่ดับช้ำสั้นสักซากย่างจี๊บกับใจจันนับไปนับไปวนถ้าเยายังไม่พี่กินาเห็นสภาวะเออเรามา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 นั่นแหละเขาก็อาศัยสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อกี้ลังยั่งย็นแต่เขาก็หลงอยู่นั่นแหละสร้างมาใหม่อีกอาศัยใหม่ถูกทําลายอีกซ้าๆๆเพราะไม่ได้ได้ยินได้ฟังพระธรรมธรสั่งสอนของพุทธเจ้าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาเลียสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านที่แกงสแสดงบอกเราต้องเหลือน้อยแล้วอายุของเราข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้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 มีทรัพย์สมบัติแล้วก็ไปทำประโยชน์จตใจของเราจะทยังไงเสล่าเสลาเพื่อปราบความตณีความยึดยึดในวัตถุเนี่ยมันเป็นตัวดูดดึงดูดให้จิตมันไปติดไว้วัตถุเข้าของเงินทองเนี่ย ม, มันมัดจิตเาะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เสียสละ เ, เสียสละบริจาคไปทำประโยชน์ให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นอย่างนี้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 เรารักษาตัวรอดจากบาปจากกรรมได้ก็ถือว่ามีผู้เป็นคนมีบุญมีกุศลบุญกุศลก็จะทําคุม้มครองรักษาให้มีความสุขความเจริญอในศิลในธรรมในสติปัญญานำมาขึ้นความสุขในปัจจุบันและเรื่องหน้าดังใน้ี้แกงแสดงมาก็เห็นว่าสมควรอิจาระเวลาก็เอวังก็มีด้วยประการะเชนอปะทู